มีแต่คุกที่ก่อด้วยอิทขังก่อด้วยอิทําได้ปูนอย่างเดียวนะอันนั้นมันแค่ขังกายมันมีคุกที่น่ากลัวกว่านั้นนะไม่ได้ก่อด้วยอิทไม่ได้ทำได้ปูนไม่มีรวด้ํามแต่ว่ามันก่อความทุกข์ให้กับผู้คน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 เขาจะเอาแต่เจ่าจุกนะแม้แต่เสียใจเพราะของหายเงินถูกโกงไปรถยนต์ถูกจึดนะสิ่งที่เขาทำคือนั่งเศร้านั่งเจ่าจุ่นทั้งที่มันมีอะไรให้ทำทั้งั้นมันมีอะไรที่ดีๆกว่านั้นเยอะแยะมีความสุขอยู่รายรอบ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 ขังตัวให้อยู่กับคุกนี้อย่างแน่นหนาเดีย๋ยวนี้มีคนจํานวนมากขึ้นนะพอมันจมอยู่ในอารมณ์นี้นะ่ะไม่อยอมออกจากบ้านเก็บตู้แต่ในบ้านในประเทศญี่ปุ่นนี่มีประเภทนี้เยอะเลยอันนี้เราว่าคุกขังใจนะไม่เพนนะยังเอาบ้านมาเป็นคุกขังกายด้วยไม่กล้าออกไม่อยากออก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 บางคนก็เป็นอมัอมาพาตนอนติดเตียงบางคนเป็นก็เป็นโรค ก, กล้ามเนื้ออ่อนแรงขยือนขยับอะไรไม่ได้เลยน่าสงสารมากบางคนก็เป็นโรคที่หนักนะเาเรียกว่าล็อกอินซินโดรมหลอกอินซินโดรมนี่ก็คือประสาทเนี่ยมันเสียหมดเลยนะทำให้กล้ามเนื้อมันหมดเลยสมองเนี่ยยังปกติดีอยู่แต่ว่ากล้ามเนื้อทุกอย่าง สั่งการไม่ได้ก็เหมือนกับว่าจิตมันขังถูกขังอยู่ในร่างกายแต่คนเหล่านี้เนี่ยหลายคนนะจิตก็เป็นอิสระนะแม้จะเป็นอัมพึกอัมาพาตติดเตียงนะป่วยหนักจนกระทั่งบางทีไอต้องมัดมือมัดขาโดยเพราะมัดมือไม่ให้ดึงสายยางเนี่ยแต่ว่าบางคนเา็าจิตเาก็เป็นอิสระนะ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 ไม่มีต้นโพไม่มีกระจกใสแล้วฝุ่นจะไปเกาะกับอะไรจ้าว่าเนี่ยพออ่านพอเห็นเนี่ยรู้เลยเนี่ยเนี่ยของแท้แล้วนั่สลกแรกนี่นะมันก็เหมือนกับว่าเอามันทำดีไว้นะให้มีสีมีธรรมจะได้เป็นคนดีต้องมัน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 ั่นช่วงที่เราอยู่ในพรรษาเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้จเจริญสติทำความสึกตัวเพื่อเป็นเครื่องมือในการพาจิตออกจากความคิดอ อ, ออกจากความความหลงซึ่งเป็นคุกที่แนบเนียนมากนันอย่าเพิ่งดีใจนะว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยโอเราจะได้ออกจากคุกที่จริงอาจจะ